เทวดาที่มาเฝ้าปัญหาพระพุทธเฝ้าทูลถามปัญหาพระพุทธองค์นั้นคือกษัตริย์ก็ถูกเพราะว่ากษัตริย์นี้เราก็ยกย่องว่าเหมือนเทวดาแต่เป็นสมมุติเทวดาเป็นเทวดาที่สมมติกันขึ้นเราสมมุติว่าพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสมมุติเทวดาแต่ว่าเทวดาที่กล่าวเนี่หมายถึงเทวบุตรเทวดาหรือเทวดาที่เป็นเทวบุตรที่เป็น สัตว์อีกภูมิหนึ่งนอกจากมนุษย์ภูมินี้แต่ว่าเป็นพวกที่มีกายทิพย์เมื่อมาเฝ้าพระพุทธองค์แต่ละครั้งเนี่ยพระอารามเนี่ยจะสว่างสวยไปหมดด้วยรัศมีที่ฉายออกจากกายของเทวดาเนี่ยมาเฝ้าพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ก็พยากรปัญหาแก่เทวดานั้นๆแต่ว่าผู้ที่จะเห็นพวกที่พยากายเิ้นนี้ได้ก็ต้องได้ทิพจากขุยาณ แม้แต่สาวกบางรูปที่เป็นพระอริยเจ้าก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ทั้งหมดพระพุทธองค์ต้องตรัสบอกว่าเวลาเนี้ยมีเทวดามาเฝ้ามากมายเรื่องเทวดานะ่ะก็เป็นเรื่องที่มีจริงเช่นอย่างในตอนที่เสด็จตับขันธเปรินิพานมีเรื่องปรากฏอยู่ในมหาปรินิพา น, น, นสูตรว่ากลางนันเถศงได้ห้อมร้อมพระพุทธองค์เทวดาก็มาเฝ้านาดอกมณฑารกเนี่ยมาบูชาพระสบมากมาย แต่ว่าเข้าไม่ถึงพระพระสงฆ์เนี่ยบางพระสงค์ท่านก็ไม่ทราบว่าจะมีเทวดามามากมายเพียงใดก็ตามพระพุทธองค์จึงตรัสให้พระสงฆ์หลีกทางให้เทวดาบ้างสแสดงว่าพระสงฆ์ท่านก็มองไม่เห็นว่าเทวดานั้นแหะมีมากว้างมากมายแค่ไหนอันนี้เป็นประเพณีของพุทธบริษัทเราอยู่ข้อหนึ่งก่อนจะสวดมนต์นั้นเมื่ออุบาสกอารัธนาพระปริตแล้ว พระสงฆ์ที่เป็นประธานรูปที่สามรองประธานรูปที่สามก็จะทำหน้าที่ชุมนุมเทวดาที่ท่านขึ้นว่าสักเคกามจรุเบเนี่ยเราเรียกว่าท่านชุมนุมเทวดาคำว่าชุมนุมเทวดานั้นก็คือ เ, เชิญเทวดามาฟังพระปริสนั่นเองเรียกว่าเชิญให้พวกเทพทั้งหลายที่อยู่ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมมหาราชิกาเป็นต้นไป ให้เสด็จลงมาวางพระปริศและพระสงฆ์ท่านก็เจริญพระพุทธมนต์ส่วนเทวดาจะมาหรือไม่มานั้นอนะเรามองไม่เห็นแต่ว่าพระท่านก็เชิญแล้วแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นความเสียหายอะไรบางท่านบอกว่าไม่เห็นจำเป็นจะต้องตั้งสักเคกาเมอะไรความจริงที่ทําเช่นนั้นก็เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสักอีกภูมิหนึ่งแล้วก็ไม่เสียประโยชน์อะไรด้วย เพราะว่าเชิญเทวดากับเชิญมนุษย์นี่อาตมาว่าเชิญเทวดาสบายกว่าที่ว่าสบายกว่านั้นคือเทวดาเนี่ยเวลาลงมาแล้วก็ไม่กินเนื้อที่ไม่ต้องเตรียมอาสนะโตเะกะ้าอี้น้ำร้อนน้ําชาค่อยต้อนรับไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายเนี่ยก็สบายกว่าเชิญมนุษย์ต้องเยอะแยะแล้วก็ไม่เสียหายอะไรก็ควรที่จะทําเป็นประเพณีอยู่เนี่ยเราก็ทําสืบเนื่องติดต่อกันมา การสอนเทวดานั้นเรามีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมกับพระสูตรในพระพิธรรมปิฎกก็มีในพระสุตตันตปิฎกก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีที่พระพุทธองค์ตรัตธรรมะสอนแก่พวกเทวดาเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ใช่สอนแต่มนุษย์เท่านั้นแม้แต่เทวดาก็สอน แล้วก็พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดยามเทวดายังมีหลักปฏิบัติในอนุสตินี้ข้อหนึ่งคือเทวตาอนุสติหมายถึงว่าเราจะฝึกจิตให้มีสมาธินี้ก็ต้องนึกถึงคุณของเทวดาคือคุณธรรมของผู้ที่เป็นเทวดาหรือบุคคลที่จะเป็นเทวดานั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรมอะไรบ้างเพียงแค่เราเอาจิตน้อมนึกถึงคุณเหล่านั้น ก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิขึ้นได้อย่างเรียกว่าเทวตานุสติอันนี้เราจะได้ศึกษาในอนุสติข้อต่ อ, ตอไปวันนี้เพียงแต่ที่บายให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าความเป็นศาสดราของพระบรมศาสตราเหล่านั้นได้สอนทั้งมนุษย์และสอนทั้งเทวดาเทวดานั้นก็สอนธรรมะที่ปราณีตขึ้น เพราะว่าสังคมของเทวดานั้นต่างจากสังคมของมนุษย์แม้ว่าเทวดาจะเคยทำสงครามกันมาครั้งหนึ่งที่เรียกว่าเทวตาสงครามระหว่างอสูรกับท้าเวปจิตติใ้รบราฆ่าวันซึ่งกันและกันครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องของเทวดารบกันไม่มีการตายเทวดารบกันไม่ตายและผลสุดท้ายเมื่อ ทำสงครามกันไม่สาเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ใช้สงครามแบบโต้ปัญหาธรรมะเป็นทางแห่งความยุติคือถกปัญหาหรือตีปริศนาธรรมกันเมื่อใครแพ้ใครตอบปัญหาธรรมะไม่ได้ผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นผู้แพ้ก็เรียกว่าเทวดานี้ถือทางยุติสงครามด้การถกปัญหาธรรมะโดยหาเหตุผลกันว่าการปฏิบัติธรรมะเช่นใด จึงทําให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยบรรลุถึงซึ่งความสุขและความเจริญได้เมื่อต่างฝ่ายต่างโต้และเสนอข้อคิดเห็นแล้วฝ่ายใดที่ให้ข้อคิดเห็นถูกฝ่ายนั้นก็เป็นผู้ที่ชนะสงครามทั้งหลายก็ยุติลงนี่เป็นทางยุติสงครามของเทวดาแต่ว่าทางยุติสงครามของมนุษย์นั้นเท่าที่เราได้ศึกษากันมาทั้งอดีตและปัจจุบันนั้นไม่ได้ใช้ปัญหานี้ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงตายกันมากและก็สงครามของมนุษย์เนี่ยเวลาเกิดแล้วก็เกิดกันนานกว่าจะยุติกระลงได้ถ้าหากว่าศึกษาธรรมะบ้างคิดว่าคงจะทำให้โลกนี้ร่มเย็นขึ้นอีกแยะปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาค้นคว้าอยู่ในพระสุตตันตปิฎกแล้วเราจะพบมากมายหลายแห่งธรรมะที่สอนแก่เทวดา น, นั้น บางข้อก็ไม่ใช่ว่าจะลึกซึ้งเกินไปจนยากแก่ความเข้าใจเช่นอย่างพระพิธรรมปิฎกพระพิธรรมปิฎกนี้ตามประวัติได้แสดงว่าพระพุทธองค์ตรัสเทศนาโปรดพุทธมารดาบนชั้นดาวดึงก่อนเพื่อเปรื่องนี่ข้าน้ำนมที่นางได้ให้กำเนิดมาแล้วก็เสด็จขึ้นไปเทศนาโปรดจากนั้นก็มาเทศนาในโลกมนุษย์ก็ปรากฏว่ามนุษย์ก็เรียนอภิธรรมได้ ฉะนั้นผู้ที่ว่าอภิธรรมเนี่ยสูงและเกินมนุษย์เรียนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเฉพาะเทวดาความจริงถ้ากล่าวถึงภูมิธรรมของมนุษย์กับเทวดาโดยวิบากแห่งกรรมแล้วมนุษย์กับเทวดานี้ก็หาได้มีวิบากต่างกันไม่มนุษย์บางคนเนี่ยเก่งกว่าเทวดาอีกไม่ใช่เทวดาจะเก่งกว่ามนุษย์เสมอไปที่ว่าเก่งกว่าเทวดานั้นเช่นอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ท่านก็เป็นมนุษย์ แต่เป็นมนุษย์ที่เก่งกว่าเทวดาเทวดาเองก็ต้องเคารพพระพุทธเจา้าพระอริยสาวกบางองค์ท่านเก่งกว่าเทวดาอีกเทวดาต้องกราบไหว้ต้องเคารพนับถือท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะที่เทศนาแก่เทวดานั้นที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถจะฟังรู้เรื่องเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดรู้เรื่องถ้าหากว่าเราตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาทำไมจะไม่รู้ และคิดว่าท่านทั้งหลายที่เคยศึกษามาแล้วก็คงจะรู้้ารู้ก็แสดงให้เห็นว่าธรรมะนั้นไม่ใช่ยากยากเกินกว่ามนุษย์จะศึกษาได้เข้าใจเราสามารถศึกษาให้เข้าใจได้เนี่ยเป็นเรื่องหลักธรรมที่สอนแก่เทวดาแล้วก็ให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของเทวดานั้นๆบางรูปเทวดาบางองค์ก็ได้บรรลุมรรคผลบางองค์ก็ไม่ได้บรรลุ บางองค์นั้นอินทรียแก่กล้าสู้มนุษย์ก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าวิบากกรรมที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิบนเทวโลกกับมนุษย์นั้นไม่ต่างกันอย่างเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าถามว่าเราเกิดด้วยวิญญาณดวงไหนที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิจิตในพระพิธรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสไ้เลยว่าเราเนี่ยปฏิสนธิในมนุษย์สุภูมุมด้วยมหาวิบากจิตมหาวิบากจิตนี้เป็นกามาวจรวิบากจิต เป็นจิตที่เกิดขึ้นจากมหาปุศโละจิตเทวดาที่เกิดบนเทวโลกก็เกิดด้วยมหาวิบากจิตเหมือนกันมีทั้งยาณสัมปยุทธมีทั้งยาณวิปยุทธมีทั้งเทวดาฉลาดมีทั้งเทวดางโง่เหมือนเหมือนกันมนุษย์ก็มีทั้งมนุษย์ฉลาดมนุษย์ที่งโง่มนุษย์ที่พิการก็มีเทวดาที่พิการก็มีเทวดาชช้นจาสุมหาราชก็เป็นเทวดาพิการมีอยู่ประเภทน นแสดงให้เห็นว่าวิบากกรรมของสัตว์ในมนุษย์กับเทวโลกนั้นไม่ต่างกันเท่าไหรนะักฉะนั้นหลักธรรมที่ตรัสสอนไว้แก่เทวดานั้นจึงเป็นหลักธรรมพื้นพื้นบางทีมนุษย์ทั้งหลายก็เข้าใจได้ง่ายไม่ยากแก่การเข้าใจเทวดาบางตนเสอีกโง่กว่ามนุษย์ก็มีที่โง่กว่ามนุษย์เนี่ยเราเราอ่านปัญหาของเทวดาเราก็รู้ว่าเทวดาตนนี้แกงโง่เหลือเกิน เพียงเรื่องแค่นี้แกก็ไม่เข้าใจมนุษย์บางคนฉลาดกว่าเทวดาก็มีฉะนั้นเรื่องเทวดากับมนุษย์เนี่ยจึงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายดเคยสงสัยว่าเอ๋เทวดาเนี่ยทําไมถึงมีกิเลสคนมีกิเลสทําไมไปเกิดเป็นเทวดาได้ก็เทวดานะ่ะเป็นสัตว์ที่มีกิเลสเหมือนกับมนุษย์นี่แหละ เพราะเทวดามีกิเลสและก็ทํากรรมดีเหมือนมนุษย์ทำอย่างผู้ที่มีกิเลสก็มีโอกาสเกิดเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับพญา ม, มารที่มาผจญพระพุทธเจ้าว่ามารบางตนเนี่ยเป็นเทวบุตรเรียกว่าเทวบุตรตมานอันนี้จึงไม่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์หรือน่าแปลกอะไรเพราะเทวดาที่เป็นมารก็มีที่เป็นบัณฑิตก็มีมีทั้งสองประเภทควบคู่กัน ความเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์นั้นก็เป็นในฐานะที่สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ให้ข้ามพ้นความกันดาของชีวิตได้เช่นในข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจได้จึงได้นามว่าเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังนี่เป็นความหมายของพระพุทธคุณบทนี้วันนี้จะได้พูดถึง พระบุทธคุณบทที่แปดคือคำว่าพุทธโธกับบทที่เก้าคือพัควาคำว่าพุทธโธหรือคาว่าพุทธะได้มีผู้ตีความหมายของศัพท์นี้ออกไปหลายนัยยะด้วยกันว่าคำว่าพุทธะเนี่ยคืออะไรทั้งฝ่ายลทัทธิมหายานนั้นได้แสดงว่าคำว่าพุทธะนั้นหมายคุณธรรมชนิดหนึ่งของผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ โดยกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่มีปัญญาจะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วผู้นั้นก็มีความเป็นพุทธะอยู่เช่นพระพุทธศาสนาฝ่ายมหา ย, ยานได้แสดงว่าพุทธะหรือพุท ธ, ธิปัญญานั้นมีอยู่ในสัตว์ทุกจาพวกแม้แต่สัตว์ดชฉานว่าไว้อย่างนั้นบอกแม้แต่สัตว์ดิฉานก็มีความแห่งเป็นมีความเป็นพุทธะอยู่นี่เป็นเรื่อง ความเชื่อของลัทธิฝ่ายมหายานว่ากล่าวเช่นนั้นว่าพุทธะเนี่ยมีอยู่ในสัตว์ทุกจำพวกอันนี้ความหมายของทางฝ่ายมหายานกับทางฝ่ายเทราวาดนั้นไม่ตรงกันทางฝ่ายเทราวาดนั้นคําว่าพุทธะในที่นี้ท่านหมายถึงผู้ที่มีปัญญาปัญญาในที่นี้ต้องเป็นโลกุตรปัญญา โลภุตระปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่สัตว์ได้สัตว์นั้นจะต้องเป็นผู้มีบา ร, รมีทำแก่กล้าที่เรียกว่าเป็นติกขบุคคลมีปัญญาที่เคยอบรมมามากแล้วแล้วก็ควรแก่การที่จะได้รู้อริยสัจสี่แต่ถ้าจะมองในแง่ที่ว่าสัตว์ทุกจำพวกนี้มีโอกาสที่จะสร้างบา ร, รมีไปสู่ความเป็นพุทธะแล้วอันนั้นก็เป็นได้ เพราะการสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนมีสิทธิมีโอกาสจะทําได้ทั้งนั้นแม้แต่เดริชานเพราะพระพุทธองค์เองในสมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่ก็ได้เคยเกิดเป็นสัตว์เด ร, บบริชานในบางชาติก็ได้เสวยพระชาติเป็นเป็นเดริชานก็มีบางชาติก็ได้เสวยพระชาติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนนั้นมีโอกาสสร้างบา ร, รมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ว่าจะช้าจะเร็วเท่านั้นเองทุกคนอธิษฐานเพื่อไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นแต่ว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องอบรมบา ร, รมีทำอย่างมากพระพุทธองค์ที่ได้อบรมมานั้นถึงสี่อสงไขยแสนกับนับจํานวนชาติไม่ท่วนเ อ, อคือแต่ละพบแต่ละชาตินี่จะต้องเป็นเวลาของการสร้างแต่บา ร, รมีเท่านั้น ลืมตามาดูโลกก็ทําแต่กุศลอย่างเดียวสร้างแต่บา ร, รมีอย่างเดียวตายแล้วเกิดมาสร้างอีกตายแล้วเกิดมาสร้างอีกสี่อสงไขยแสนกับถ้าจะเอาตัวเลขในโลกมนุษย์นี้ว่าเกิดกี่ร้อยล้านชาติกี่พันล้านกี่หมื่นกี่แสนล้านคํานวณไม่ได้เลยเพราะ ก, กับนึงเนี่ยยาวนานเหลือเกินเดีแสดงให้เห็นว่ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องสร้างบา ร, รมีทำอัญชานานใช้เวลานาน จึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ทุกคนก็มีสิทธิที่จะสร้างได้ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาแก่กล้าว่าเราเนี่ยปรารถนาพุทธภูมิจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ขอให้ท่านทั้งหลายอธิษฐาน ท, ทุกครั้งที่สร้างบารมีเราทําบุญทุกครั้งก็ให้อธิษฐานอย่างนี้ก็คงจะสําเร็จในชาติใดาชาติหนึ่งความหมายของความเป็นพุทธะหรือความหมายว่าพุทโธนั้น ในทางเทราวาทกับในทางมหายานนั้นจึงไม่เหมือนกันความหมายที่เป็นพุทธโธ ท, ที่เป็นพระพุทธคุณในที่นี้ที่เราได้สวดสรเสริญว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นพุทธโธคำว่าพุทธโธหมายถึงผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ในอะไรก็ตรัสรู้ในอริยสัจเจะธรรมผู้ที่ตรัสรู้ในอริยสัจจตธรรมนี้เรียกว่าพุทธะได้ แต่คำว่าพุท ธ, ธะเนี่ยจำแนกออกไปเป็นหลายประเภทเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นปัจเจกพุท ธ, ธะเป็นสาวกะพุท ธ, ธะมีทั้งสามประเภทสัมมาสัมพุท ธ, ธะก็คือผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงผู้ที่ตตรัสรู้ธรรมะแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเมื่อสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามแล้วจะต้องประดิษฐานพุทธศาสนาไว้ในโลกด้วยเช่นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนอริยสัจจะทำนั้นแก่ผู้อื่นให้รู้ตามเมื่อรู้ตามแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ในโลกจนกระทั่งย่างยืนมาถึงปัจจุบันนี้ในแหละเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะแต่มีพุทธะอีกประเภทหนึ่งคือปัจเจกพุทธะพระปัจเจกพุทธะหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าพระปัจเจกโพค์นั้นหมายถึงผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจสี่แต่ว่า ไม่สอนผู้อื่นบางท่านกล่าวว่าสอนผู้อื่นไม่ได้สอนได้แต่ท่านไม่สอนผู้อื่นไม่สอนผู้อื่นในที่นี้หมายถึงว่าไม่สอนผู้อื่นให้รู้ตามหรือไม่โปรดสัตว์ทั้งหลายให้รู้มากๆตั้งเป็นศาสรสนาขึ้นพระปัจเจกพระโพธิไม่ทำชิ้นนั้นท่านปฏิบัติตนเพื่อองค์ท่านเพื่อความหลุดพ้นในองค์ท่านเท่านั้นแล้วไม่สอนผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าปจเจกะพุทธ เราเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวคือเมื่อเราได้บรรลุทำแล้วก็ขวนขวายไปสู่ความมักน้อยไม่คิดเผยแฝ่ศาสนาไม่คิดปฏิสถานพพุทธศาสนาผู้ที่ปฏิบัติอย่างเนี้ยเรียกว่าพระปฏเจกโพธิ์พระปฏเจกโพธิ์นี้จะเกิดขึ้นระหว่างที่โลกนี้ไม่มีพุทธศาสนาอยู่จะมีผู้ที่ถือบวชประเภทเนี้ยอยู่ตามป่าตามเขาและก็ถือเอาการตรัสรู้ ของตนเองเท่านั้นไม่สั่งสอนใครทั้งสิ้นที่ไม่สั่งสอนนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าท่านจะทนต่อความยากลาบากไม่ได้แต่ว่าท่านเนี่ยเวียนไปสู่ความมักน้อยสันโดษอย่างเราศึกษาตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆก็ได้ทรงปริวิตกในเรื่องนี้ว่าจะเวียนไปสู่ความมักน้อยสันโดษจะไม่สั่งสอนใครเพราะว่าเมื่อรู้แล้วก็รู้เฉพาะองค์ท่าน โดยเลงเห็นว่าโลกมนุษย์นี้จะรู้ตามได้ยากลำบากอย่างยิ่งเพราะว่าธรรมะที่บรรลุนั้นลึกซึ้งเหลือเกินยากแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะรู้ตามแต่เมื่อได้รับอรษณนาจากท้าสหัมบดีพรมและได้ทรงตรวจดูอินทรีย์ของสัตว์โลกแล้วจึงได้ตัดสินทไทยเนี่ยสั่งสอนสัตว์โลกและเมื่อตัดสินทไทยสั่งสอนก็ทงพบอุปสรรคนานาประการ ว่าจะประฏิสฐานพระพุทธศาสนาขึ้นไว้ในโลกนี้ได้ต้องฝ่าฟันต่อกิเลสคือความชั่วร้ายในจิตของมนุษย์เนี่ยมากแต่กะนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วที่พระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าได้ประฏิษฐานพระพุทธศาสนาได้สําเร็จและทรงปฏิบัติพุทธกิจให้สําเร็จลงโดยสมบูรณ์ด้วยการเสด็จดับขันธปริพานด้วยพระองค์เองเพราะไม่มีเจ้าลัทธิหรือาศาสดาในาศาสนาใด จะทำงานได้สำเร็จงดงามอย่างนี้เพราะแต่ละท่านนั้นมักจะถูกฆ่าตายทั้งนั้นมหมาหมัดก็ถูกฆ่าตายพระเยซูก็ถูกฆ่าตายไม่มีาศาสดาตนใดเลยที่จะตายดีๆถูกประทุสลายทั้งสิ้นกว่าจะตั้งาศาสนาของตนเองขึ้นมาได้เนยกนับว่าเป็นความสาเร็จงดงามของพระพุทธองค์ว่าไม่ถูกฆ่าตายซสียก่อนถึงแม้จะผ่านพพอุปสรรคร้ายๆหลายครั้ง ตลอดพระชนมายุของพระพุทธองค์ก็ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้โดยไม่ถูกฆ่าตายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นยากการประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ในโลกนี้ก็เป็นของยากงานของศาสนานั้นอนะยากมาแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลและปัจจุบันนี้เราก็ยังทำงานท ย, ยากกันอย่างนี้ต่อไปอีก ไม่สิ้นสุดยากแสนยากเราก็ต้องทําเพราะว่าเป็นเรื่องของความสงบสุขในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะแต่ก็ต้องฝ่ายธรรมกับอธรรมนั่นก็จะต้องพบกันอยู่เสมอในวัตะสงสารนี่มื่อมีธรรมะก็ต้องมีอธรรมเนี่ยเป็นฝ่ายต่อสู้กันถ้าธรรมะกําลังน้อยธรรมะก็แพ้อธรรมถ้าอธรรมมีกําลังน้อยธรรมะก็ชนะอธรรมต่อสู้กันอย่างนี้มีมานานแล้วเป็นของประจําโลก แม้แต่ศาสดาทุกศาสนาก็ได้พบปัญหานี้มาก่อนฉะนั้นพ ร, ระปจเจกระโพธิเนี่ยท่านจึงไม่ประกาศศาสนารู้แล้วเอาตัวรอดสบายไม่ต้องเกิดความทุกข์เกิดความกังวลในเรื่องของบุคคลอื่นบุคคลเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นพระปจเจกพะพุทธเจ้าอีกท่านหนึ่งคือสาวกพุทธะสาวกพุทธะนี้หมายถึงผู้ที่รู้ตามก็คือบรรดาพระสงฆ์สาวก เช่นอย่างพระโมคคัลลาภาษารีบุตรหรือพระอรหันตสาวกหรืออรหั ต, ตสาวิกาอุบาสกอุบาสิกาในสมัยนั้นที่ได้บรรลุถึงซึ่งอรหัตมรรมอรัตถผลตามพระพุทธองค์เนี่ยเรียกว่าสาวกพุทธะเป็นพุทธะเหมือนกันแต่ว่าเป็นพุทธะในฐานะที่รู้ตามไม่ใช่รู้ด้วยองค์ของท่านเองรู้ตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว เนี่ยความเป็นพุทธะนั้นจำแนกออกไปเป็นสามประเภทแต่ก็รู้อริยสัจจะทำเหมือนกันต่างกันแต่หน้าที่ที่ทำนั้นน่ะไม่เหมือนกันสมาสัมพุทธะทำหน้าที่กว้างใหญ่กว่าปัจเจกพุทธะทำหน้าที่กว้างใหญ่กว่าสาวกพุทธะเพราะปัจเจสมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนตรัสรู้เองแล้วก็ได้ทางานกว้างขวา ง, ก ว, างกว่า ส่วนสาวกนั้นก็ยังทํางานไม่เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่เป็นการจําแนกถึงความหมายของคําว่าพุโทโธและความหมายข้อที่หนึ่งก็คือผู้รู้อริยสัจธรรมหรือตรัสรู้อริยสัจธรรมโดยความหมายในที่นี้พระจรรกะาจารย์ท่านอธิบายว่าคําว่าตรัสรู้นี้นะ่ะหมายถึงตรัสรู้ ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งมวลต้อบอกรู้ในสิ่งที่ควรรู้ทั้งมวลท่านไม่ระบุลงไปในบางแห่งว่ารู้อริยสัจจะทำทั้งสี่แต่ท่านใช้คําว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้จึงเรียกว่าเป็นพุท ธ, ธะถ้าหากว่าไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้ความรู้เช่นนั้นก็ไม่เป็นพุท ธ, ธะรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในที่เนี้มีอะไรบ้างที่เราควรรู้ ปัญหาที่เราควรรู้กันในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของทุกข์ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้เหตุที่ทำให้ทุกข์เกิดเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ทางจะไปสู่ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ถ้าเรารู้ในเรื่องทั้งสี่นี้แล้วเดียว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้เพราะว่าความรู้เช่นนี้รู้แล้ว เอาตัวหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าไม่รู้ในเรื่องนี้เรารู้ในเรื่องอื่นก็ไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์ถึงแม้จะรู้ก็ไม่ใช่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ความรู้ที่จะทำให้ตนเองพ้นจากทุกข์ได้นั่นก็คือรู้เรื่องอริยสัจประการต้นก็คือรู้ในเรื่องของทุกข์ทุกขนะ์ในความจริงใครๆก็รู้เกิดมาใค ร, ใค ร, ใคร кни, ๆก็มีความทุกข์ทั้งนั้นเดี๋ยวเราหิวเราก็เป็นทุกข์เราปวดหัวตัวร้อนเราก็เป็นทุกข์ เราเศร้าโศกเสียใจเราก็เป็นทุกข์ความทุกข์เหล่านี้เราก็รู้รู้กันมาทั้งนั้นเนี่ยความจริงไม่ใช่เป็นความรู้จริงอยู่แม้ว่าชีวิตของสัตว์นี้จะประสบต่อความทุกข์มามากแต่สิ่งที่เราประสบคือทุกข์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าเราเนี่ยรู้ทุกข์เรามีความทุกข์จริงเราพบกับความทุกข์เช่นนั้นจริงแต่เราเนี่ยไม่รู้เลยว่าความทุกข์นั้นคืออะไรเราไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไร รู้แต่เพียงว่าแม้เป็นทุกข์หรือเกินรู้แต่เพียงแค่เนี้ยเป็นทุกข์หรือเกินแต่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรเราไม่รู้ทั้งๆที่เราเนี่ยถูกความทุกข์เข้าครอบงำกันอยู่เราก็หาได้รู้ทุกข์นั้นไม่ฉะนั้นทุกข์นั้นมีแต่ว่าผู้ที่จะรู้ทุกข์นั้นไม่มีความทุกข์มีอยู่แต่คนที่จะไปรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรนั้นไม่มี ความหมายของอริยสัจที่ว่ารู้ในสิ่งที่ควรรู้เช่นรู้ว่าทุกเนี่ยคืออะไรนั้นเป็นความรู้ขั้นสูงเป็นความรู้ชั้นสูงทีเดียวที่เราไปรู้ถึงเรื่องของทุกข์เนี่ยและทุกนี้จะต้องเป็นทุกขที่เป็นทุกขอริยสัจด้วยเป็นทุกข์ที่เป็นจริงในทางสภาวะในธรรมสภาวะวันเนี่ยเป็นทุกอย่างนี้เราต้องรู้ความทุกเหล่านี้ตามความเป็นจริงจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รู้ทุก หมายถึงจะต้องรู้เห็นด้วยปัญญานะและตมาก็ท้าได้ว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยยังไม่มีใครรู้ทุกข์แต่ท่านทั้งหลายที่นั่งในที่เนี้ยเป็นทุกข์ด้วยกันทุกคนนะ่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้เลยว่าทุกข์นั้นคืออะไรเพราะถ้ารู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะไม่มาศึกษาธรรมะเพราะผู้ที่รู้นั้นคือพระอริยเจ้าต้องบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้อาตมาเองก็ยังไม่รู้ ยังไม่รู้ว่ามันเป็ทุกข์นั้นคืออะไรไม่รู้ในที่เนี่ยหมายถึงไม่รู้ในด้านของการปฏิบัติแต่ในด้านคําสอนที่ท่านสอนไว้เนี่ยเรารู้รู้ว่าทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นทีเดียวตั้งแต่ปฏิสนธิเช่นชาติปิตุกขาความเกิดเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าตั้งแต่วิญญาณของเราอย่างลงสู่การปฏิสนธิอยู่ในคันของมารดานในขณะแรกวันแรกที่เข้าไปเกิดเราก็รู้ว่าเป็นทุกข์ยังไง รู้ในฐานะที่เราเรียนเราศึกษาแต่ว่าขณะที่อยู่ในคันของมารดานเนี่ยเราเป็นทุกข์อย่างไรนั้นเราก็ลืมหมดไม่รู้เหมือนกันว่าทุกข์อย่างไรแต่พระพุทธองค์เนี่ยสอนไว้โดยละเอียดว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นเช่นทุกข์เพราะว่าสถานที่ที่เราไปเกิดนั่นนะอบอ้าวเน่าเหม็นด้วยซากศพนานาชนิดเหมือนกับเกิดในน้ําคลํามเราจะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันอย่างนี้สิบเดือนเต็ม แล้วก็คลอดออกมาแล้วเป็นทุกข์อย่างไรท่านก็ว่าโดยละเอียดเรารู้อย่างเนี้แต่ว่าไม่ซึ้งในทางปฏิบัติความรู้เช่นนี้ก็ไม่เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลหรือไม่เกื้อกูลต่อการที่เราจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ถึงรู้ทุกข์ก็ยังคงจะต้องประสบต่อทุกข์เช่นนั้นต่อไปเช่นรู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่เราเพียงจะต้องเกิดอยู่อีกต่อไปหรืออาจจะต้องให้คนอื่นเข้ามาเกิดอีกต่อไป เรารู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์แต่เราก็ยังต้องเกิดมาทุกข์อีกรู้ว่าความแก่เป็นทุกข์เราก็ยังจะต้องแก่อีกรู้ว่าความตายเป็นทุกข์เราก็จะต้องตายอีกไม่สิ้นสุดอย่างนี้ความรู้อย่างนี้ไม่เกื้อภูลต่อมผลนิพพานคือรู้แต่เพียงทฤษฎีแต่ว่าปฏิบัตินั้นเราไม่รู้ต่อการรู้ในเรื่องนี้ในทางปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยวิปัสนาญาณต้องอาศัยการปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ เรียนอย่างเดียวยังเกื้อภูลไม่ได้เรียนเพื่อเป็นหนทางเท่านั้นศึกษาเพื่อเป็นหนทางเท่านั้นแต่ที่จะบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้น่ะเราจะต้องอาศัยการปฏิบัติทุกท่านต้องต้องทํากรรมฐานต้องเจริญวิปสัสสนากรรมฐานจึงจะไปสู่จุดจุดนี้ได้ในความรู้ทุกข์นั้นเป็นเรื่องสําคัญและรู้ว่าทุกข์นี่เกิดมาจากอะไรก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะเหตุแห่งทุกข์นั้น เป็นเรื่องที่ควรรู้ผู้ที่รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์ในด้านที่ทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างหนึ่งและมีหนทางที่จะดับทุกข์ให้กับตนเองเนี่ยได้อย่างหนึ่งเพราะเมื่อทราบเหตุแล้วเราก็ดับที่เหตุได้อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์เราก็ไปดับที่เหตุอย่าให้เหตุเช่นนั้นเกิดขึ้นเป็นทุกข์อีกต่อไป เราดับที่เหตุอันนั้นได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแกเรามากนะักผู้ที่รู้เหตุแห่งทุกข์เนี่ยจึงได้กําไรหลายอย่างส่วนคําว่ารู้ความดับทุกข์รู้ความดับทุกข์เนี่ยคือรู้ว่าทุกข์ที่เกิดนี้ดับได้ไม่ใช่ดับไม่ได้ความรู้ในเรื่องนี้ก็ทําให้คนมีเหตุผลตั้งแยะถึงแม้จะไม่ถึงโลกุตรธรรมเนี่ยอย่างในโลภิยธรรมเนี่ยก็ยังเกื้อกูลมากมาย เพียงรู้ว่าทุกข์ที่เกิดเนี่ยเราดับได้จะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความเศร้าโศกเสียใจหรือการกระทบในสิ่งที่เราไม่พอใจก็ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ดับได้ทุกเช่นนี้ไม่ใช่ว่าดับไม่ได้รู้เท่านี้เราก็ยังเห็นความหวังในชีวิตเนี่ยไปอีกไกลส่วนผู้ที่ไม่รู้เลยนี่พอเป็นทุกข์ขึ้นมาก็หมดหนทางซะแล้ว อย่างคนต้องกระโดดน้ําตายฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะหมดทุนทางที่จะแก้ไขไม่รู้เลยว่าทุกเนี่ยดับได้ฉะนั้นจึงหาทางออกด้วยการทําลายชีวิตตนเองหรือหาทางออกในทางอื่นๆซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยขาดเหตุผลกันไปตั้งแยะขาดเหตุผลในด้านการกระทําขาดเหตุผลในด้านของความประพฤติบางคนต้องหมกมุ่นในอบายยมุกเสียผู้เสียคนไปเลยก็เพราะว่าไม่รู้ว่าทุกเนี่ยดับได้ แล้วก็วิธีที่จะไปดับนั้นเราจะดับอย่างไรท่านก็ตรัสไว้ว่าวิธีจะไปสู่ความดับทุกต้องไปทางนี้เช่นตรัสถึงเรื่องมรรคแปดไว้เนี่ยนั่นเป็นทางแห่งความดับทุกข์เราเห็นพ้นทางอย่างนี้เราก็ยังมีความหวังอยู่ว่าถ้าเราเดินทางนี้แล้วเราก็พ้นทุกข์ได้เพราะว่าทางให้เดินนั่นมีอยู่แต่เวลานี้เพียงแต่ว่าเราไปเดินเท่านั้นเราก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ ผลทางมามีแต่ว่าคนเดินจะมีหรือไม่มีเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทางที่ไปสู่ความดับทุกข์นั้นยังมีอยู่แต่ว่าเราจะเดินหรือไม่เท่านั้นเราเห็นว่าทุกเช่นนี้เป็นสิ่งที่